มีอะไรสงสัยไหมมีอะไรสงสัยไหมเรียนเรียนรู้สึกโหดไปไหมเนี่ยนั่งนานเลยใครจะสอนการ <c oughs> บ้านกับอาจารย์เลย <c oughs> เออเราจะมีสัพท์เฉพาะกันนะ <c oughs> ในหมู่ของเราเนี่ยเหมือนเหมือนอาตมาเป็นอาจารย์นะแล้วก็สอนไปแล้วก็ให้การบ้านให้เพ่ทำการบ้านไม่ต้องกลับบ้านเพราะตอนนี้เรา ต, ต้องอยู่ที่นี่ใช่ไหมก็คือไปทา บอกอะไรแล้วให้ไปทําทําแล้วได้ผลยังไงงงยังไงเรียกว่ามาส่งการบ้านที่เราที่พระให้ทําหรือพระ ท, ที่พี่เลี้ยงให้ทำเนี่ยนะให้ทําไปแล้วได้ผลเป็นยังไงให้มาส่งเราไม่ได้สอนแล้วก็ให้ไปจดเลคเชอร์แล้วก็มามาโชว์ว่าจดอะไรบ้างมาชะอย่างนั้นสอนไปเพื่อให้อะไรว่าทำคอร์สนี่จะมีผลต่อเมื่อ ฟังแล้วจับหลักได้แล้วเอาไปทำทำแล้วถูกหรือไม่ถูกไม่แน่ใจส่งกันบ้านอย่างนี้นะเรียกเป็นสั์อย่างนี้บางที่อาจจะเรียกอย่างอื่นแต่ว่าที่นี้สมมติเอาอย่างงี้เรียกว่าอย่างงี้ส่งกันบ้านตอนนี้ให้กันบ้านสงสัยตรงไหนถามได้ตกลงได้กันบ้านยังให้ไปฝึกนะรู้กายรู้ใจนะรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในกายในใจ โดยที่ไม่คิดขณะที่ไม่คิดนั้นต้องมันคือปัจจุบันรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นการเดี๋ยวจะอธิบายต่อไปว่าตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นการนี่เป็นยังไงตอนนี้แค่มีสติรู้กายรู้ใจอธิบายได้สองคำ <laughs>